ตัวกดหรือตัวสภาวะข้อที่คําคำอธิบายตามแบบคำอธิบายแบบนี้มีความละเอียดลึกซึ้งและกว้างขวางพิสดารมากเป็นเรื่องทางวิชาการโดยเฉพาะผู้ศึกษาต้องอาศัยพื้นความรู้ทางพุทธธรรมและศัพทวิชาการภาษาบาลีมากและมีคำภีที่แสดงไว้เป็นเรื่องจำเพาะที่จะศึกษาได้โดยตรงอยู่แล้ว จึงควรแสดงในที่นี้เพียงโดยสรุปพอเป็นหลักเท่านั้นหัวข้อและโครงรูปหัวข้อทั้งหมดได้แสดงไว้ในตอนว่าด้วยตัวบทแล้วจึงแสดงในที่นี้แบบรวบรัดเข้าใจง่ายๆดังนี้ในที่นี้ท่านเขียนลูกศรจากคําหนึ่งไปหาอีกคําหนึ่งซึ่งหมายถึงแต่ละสิ่งนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งต่อมานะครับ คืออวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติจนถึงชรามรณะบวกโซกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเท่ากับทุกขะสมุทยัยส่วนฝ่ายดับหรือทุกขานิโรธก็ดำเนินไปตามหัวข้อเช่นเดียวกันนี้อันหนึ่ง โดยที่กระบวนธรรมะของปฏิจจสมุปบาทหมุนเวียนเป็นวัตตะหรือวงจรไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจบไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายจึงควรเขียนเส้อใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในแง่นี้ดังนี้ในที่นี้ท่านวาดไว้เป็นแผนผังดูได้จากพุทธธรรมฉบับปรับขยายหน้า181อดโดยภาพรวมคืออวิชา มีลูกสอนชี้ไปที่สังขารและตามลำดับคือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชารามรณะโดยเขียนไว้เป็นวงกลมจนมาถึงอวิชชาซึ่งมีโสกะบปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตเป็นวงกลมเล็กรอบอวิชชาอีกที และในแต่ละคำคือโสกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาตต่างก็มีลูกศรแต่ละคำพุ่งไปหาอาวิชชาอีกทีคำจำกัดความองค์ประกอบหรือหัวข้อตามลำดับก่อนแสดงคำจำกัดความและความหมายตามแบบจะให้คำแปลและความหมายง่ายๆ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 วิญญาณความรู้ต่อสิ่งที่ถูกรับรู้คือการเห็นการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายรู้เรื่องในใจ 4. นามรูปนา ม, มาธรรมและรูปรธรรมชีวิตทั้งกายและใจ 5. สลายตนะอายตนะคือช่องทางรับรู้หก ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ 6. กผัสสะการรับรู้การประจวกันของอายตนะบวกอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรับรู้บวกวิญญาณ 7. เวทนาความสวยอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยตัณหา ความทยานอยากคืออยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็น 9. อุปาทานความยึดติดถือมั่นการยึดถือค้างใจการยึดถือเข้ากับตัว 10. พบภาวะชีวิตที่เป็นอยู่สภาพชีวิตผลรวมกรรมทั้งหมดของบุคคล 11. ชาติความเกิดความปรากฏแห่งขันทั้งหลายที่ยึดถือเอาเป็นตัวตน 12. จราโมรณะได้แก่ความตายคือความเสื่อมอินทรีความสลายแห่งขันต่อไปนี้คือคำจำกัดความองค์ประกอบ หรือหัวข้อทั้งสิบสองตามแบบ 1. อวิชชาความไม่รู้อริยสัจสี่คือความไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและตามแบบอภิธรรมความไม่รู้หนก่อนหรือปุพพันตะอดีตผล ห, หน้าอภรันตะอนาคตทั้ง ห, กหนก่อนผลหน้าปุพพันตะปรันตะทั้งอดีตอนาคต ความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท 2. ส, สังขารกายสังขารวจีสังขารจิตตาสังขารและตามในยถาพิธรรมปุญญาพิสังขารอาปุญญาภิสังขารอาเนนชาพิสังขารกายสังขารคือกายสังเจตนา ความจงใจทางกายวจีสังขารคือวจีสันเจตนาความจงใจทางวาจาจิตตาสังขารคือมโนสันเจตนาความจงใจในใจปุญญาพิสังขารความดีที่ปรุงแต่งชีวิตได้แก่กุศลเจตนาฝ่ายการมัวจรและฝ่ายรูปาวจรสิสา ปุญญาพิสังขารความชั่วที่ปรุงแต่งชีวิตได้แก่อกุศลเจตนาฝ่ายกามาวจรทั้งสิบสองอเนนชาพิสังขารภาวะมั่นคงที่ปรุงแต่งชีวิตได้แก่กคุศลเจตนาฝ่ายอารูปาวจรทั้ง 4. สี่วิญญาณคือวิญญาณหก ได้แก่จัก่วิญญาณโศตาวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนวิญญาณซึ่งกระจายออกเป็นโลกยะวิญญาณ32หรือวิญญาณ13เป็นไปในประวัติการระหว่างปฏิสนธิถึงจุดติกับวิญญาณ19ที่เหลือเป็นไปทั้งในประวัติการและปฏิสนธิการ 4. นามรูปนามได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการหรือตามแบบอภิธรรมคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์รูปคือมหาภูตะหรือมหาพูทสีแล้วรูปที่อาศัยมหาผู้สี หสลายตณนะได้แก่จักขูคือตาโสตะคือหูคานะคือจมูกจิวหาคือลิ้นกายะคือกายมโนโคือใจ 6. กผัสสะได้แก่จักขูสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัส กายสัมผัสและมนโนสัมผัสเรียกรวมว่าสัมผัส6ผัสสะคือการกระทบระหว่างอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณทางอายตนะนั้นๆ 7. เวทนาได้แก่เวทนาเกิดจากจักขู่สัมผัสจากโสตสัมผัสจากคานาสัมผัส ชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสและมณโนสัมผัสเรียกรวมว่าเวทนาหกเวทนาแบ่งโดยลักษณะเป็นสามคือสุขทุกขทุกขมสุขหรือหคือสุขหมายถึงสุขทางกายทุกคือทุกทางกายโสมนัสสุขทางใจโทมนัส ทุกทางใจและอุเบกขา 8. ตันหาได้แก่รูปตันหาตันหาในรูปสัทธตันหาตันหาในเสียงคันธตันหาตันหาในกลิ่นรสาตตันหาตันหาในรสพทธภาพตันหาตันหาในสัมผัสทางกาย ธรรมตัณหาตัณหาในธรรมารมณ์รวมเรียกว่าตัณหาหกตัณหาแบ่งโดยอาการเป็นสามคือกามตัณหาอยากในสิ่งเสพทางประสาททั้งห้าภวะตัณหาอยากให้คงอยู่นิรันดรวิภวะตัณหาอยากให้ดับสูน หรืออีกแบบคือกามตันหาอยากด้วยความยินดีในกามภาวะตันหาอยากอย่างมีสัจสตทิฏฐิวิภวะตันหาอยากอย่างมีอุเชธทิฏฐิ 9. อุปาทานกามุปาทานความยึดมั่นในกามคือรูปรถ กลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆทิฏฐุ ป, ปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิคือความเห็นข้อยึดถือลัทธิทฤษฎีต่างๆสิลาพุตุ ป, ปาทานความยึดมั่นในศิลพรษว่าจะทำให้คนบริสุทธิ์ได้อัตวาทุ ป, ปาทานความยึดมั่นในอัตตา สร้างตัวตนขึ้นยึดถือไว้ด้วยความหลงผิด10บภพบได้แก่กรมภพรูปภพอรูปภพอีกในยาหนึ่งได้แก่กรรมภพกับอุปาติภพกรรมภพคือปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขาร อนเนชาพิสังขารอุปาติภพคือกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวะสัญญาณาสัญญาภพเอกาวการภพจตุวการภพและปัญจาวการภพส 11. ชาติความปรากฏแห่งขันทั้งหลาย ได้มาซึ่งอายตนะต่างๆหรือความเกิดความปรากฏขึ้นของธรรมะต่างๆเหล่านั้นเหล่านั้นความหมายในยะาหลังใช้อธิบายปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปในขณะจิตเดียวตามหลักในอภิธรรม 12. ชารามรณะชาราคือความเสื่อมอายุ ความงอมอินทรีกับมรณะความสลายแห่งขันความขาดชีวิตตินทรีหรือความเสื่อมและความสลายแห่งธรรมะต่างๆเหล่านั้นเหล่านั้น